พระอาจารย์ครับคำถามที่สําคัญมากสําหรับวันนี้ที่ผมตั้งใจจะถามมาหลายหลายวันแล้วนะครับคือผมเข้าใจพระอาจารย์พยายามให้พวกเราเนี่ยเจริญกุศลอยู่ต่อเนื่องเจริญกุลบ่อยๆนะครับแต่ในครัที่เราเจริญกุศลเนี่ยแล้วเราก็มานึกถึงบุญกุศลที่เราได้ทํามาเนี่ยเราจะยกเป็นวิปัสนาอย่างไรครับผมยังไม่เข้าใจว่า ย, ยกยังไงให้เป็นวิปัสนาครับคือคือ พ, พอนึกขึ้นมาปุ๊บเนี่ย ก็ได้แค่ปิติก็ปั๊บเดียวใช่ไหมครับเรานึกถึงว่าเราเคยทําประโยชน์ให้กับคนนู้นคนนี้เราทำกุศลตรงนี้เราเราทำหน้าที่ในที่ทั้งหของเราครบบริบูรณ์แล้วมันก็เกิดปิติมันก็ปั๊บเดียวแล้วมันก็แล้วพระอาจารย์บอกว่าให้ยกเป็นวิปัสนาผมเลยยังไม่เข้าใจว่า ย, ยกยังไงครับคือคืออย่างนี้อ๋อ ในในประเด็นตรงนี้เราอาจจะที่ที่พยายามไม่ค่อยจะพาลงไปมุมนู้นเท่าไหร่เนี่ยเป้าหมายคือว่าในชีวิตจริงของของยอมโจ้หรือกันหลายๆคนซึ่งเป็นฆราวาสเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นชีวิตของการคลองเรือนที่จะต้องเกี่ยวข้องคําว่าเป็นถ้าพูดกันก็คือเป็นชีวิตที่คับแคบเนอะ คำว่าครับแคบในที่นั้นก็คือกุศลเกิดได้ได้ยากเนาะที่กุศลเกิดได้ยากโดยมากก็ยังหมกมุ่นกับการงานเยอะยังหมกมุ่นกับการงานกับการที่จะต้องเกี่ยวข้องผู้คนอะไรต่างๆเหล่านีน้สภาพจิตก็เลยไม่ค่อยพร้อมในการที่จะเดินกุศลได้สะดวกอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างเช่นว่าเราให้ทานมาก็มากไม่ใช่น้อยจเจริญกุศลศีลทั้งจารีตศีลที่การประพฤติประโยชน์ ในการประพฤติต่อพ่อแม่ประพฤติแต่ครูบาอาจารย์ประพฤติกับเพื่อนประพฤติแต่ต่อสามีภรรยาบุตรทีย่ยัดาละเบาภัยแล้วก็ประพฤติแต่ผู้ใต้บงังคับบัญชาหรือการประพฤติต่อพระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นต้นนั้นการเชื่อมยงระหว่างทิศทั้ง6นี้เป็นจารีศรีลแต่การจะพัฒนาสู่วารีตศีลบางเท่านก็ได้บางไม่ได้บางตรงนี้อย่างยกตัวอย่างเช่นวันนี้เรามาเดินทางในกุศล แถ้าถามบอกว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเราสามารถเดินทานกุศลได้ต่อเนื่องไหมอย่าลืมนะว่าทานกุศลพูดตัวนี้ฮะอย่างเมื่อสักครู่นี้ว่าตัวดอกไม้เนี่ยเป็นวัตถุทานหรืออาหารเป็นวัตถุทานแต่ตัวขับเน้นจริงๆคือตัวเจตนาก็จิตที่คิดจะให้จิตที่คิดจะสละนั้นเป็นเจตนาทานความไม่โลภที่เกิดขึ้นจากการสละได้อโลภาเด่นขึ้นเป็นอโลภาทาน ละมัฉริยะได้ด้วยเป็นอโทสะทานนะคือให้ด้วยความไม่โกรธขจัดอิสาริษยามมัฉริยะกุกุจักฟุงซาน ล, ลาคาญใจได้จิตก็ผ่องใสขึ้นแล้วจริงๆสภาพจิตเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่ถ้าถามว่าตอนนี้แล้วลองนึกถึงทานกุศลที่เรากระทามาเมื่อสักครู่สิจิตใจมันผ่องใสขึ้นไหมถ้าสภาพจิตมันผ่องใสขึ้นถ้าจิตมันหนักนั่นคือถีนามิธาเล่นงานนะ มันซึมเห็นไหมถ้าจิตมันแข็งกระด้างอันนั้นคือทิฏฐิล้มานะเล่นงานหรือถ้าจิตมันเกิดโรคด้วยราคะโทสะทั้งหลายเหล่านี้ทิมแทงตลอดนี้จิตมันเกิดโรคสรุปก็คือสภาพของกุศลเนี่ยสภาพของกุศลเนี่ยต้องเป็นสภาพจิตที่อ่อนแล้วก็พากออกจากบาปได้จริงๆเป็นสภาพจิตที่มีความสุขนีเป็นสภาพที่เป็นไปกับกุศลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ถ้าเป็นไปในลักษณะอย่างนี้นะถ้าเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ก็แสดงให้เห็นชัดว่ากุศลนั้นน่ะเดินและเมื่อสภาพของกุศ ล, ลจิตเดินอย่างต่อเนื่องอย่างนี้ต่างหากขเขาเรียกว่าทานนะเจตนานั้นเกิดแล้วให้สังเกตว่าทานและกุทานกุศลเนี่ยมันทําลายความโลภในวัตถุทานคือความติดข้อง ทำลายความโกรธในปฏิฆา6คือผู้รับสภาพใจที่ไม่โลภสภาพใจที่ไม่โกรธก็เป็นสภาพใจที่ผ่องใสฉะนั้นจิตที่ผ่องใสเกิดขึ้นน่ก่อนให้ดีใจขณะให้ก็เลื่อมใสกนะ่คือมันผ่องใสให้แล้วก็ปลื้มใจเป็นไปกับญาณปัญญาเป้าหมายเพื่ออะไรความไม่โลภความไม่โกรธที่เกิดขึ้นเป้าหมายเพื่อจะทำให้สัมมาทิฏฐิคือปัญญาเนะ่เกิดเนะ ถามว่าปัญญาเกิดได้จริงหรือไม่ดูตรงไหนดูที่ปัญญาไปเห็นเหตุและผลไปเข้าใจกรรมและผลของกรรมถ้าถามว่าตอนนี้ใช่ยอมโจ้พร้อมด้วยคณะให้อาหารถวายอาหารให้กับพระสงฆ์น้อมเอาพระเจ้าเป็นประมุขหรือไม่ใช่ไหม นี่เหรไหม่ควะท่าน้อมเอาพระเจ้าเป็นประมุขบอกว่าถวายแด่สงมีพระเจ้าเป็นประมุขแล้วสําคัญจริงๆไหมว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่จริงอันนี้เริ่มอ่อนแอแล้วนะนี่จะได้เริ่มเห็นไงว่าไอ้ความอ่อนแอของทานในกุศลของเราเนี่ยเริ่มเริ่มดอบไปหนึ่งแล้วนะแล้วน้อมจริงๆไหมว่าถวายสงหรือถวายบุคคลใช่ไหม ถ้าถวายสงเนี่ยสำคัญไหมว่าสงนี้เป็นตัวแทนของสงจํานวนล้านจํานวนโกดจริงจริงตนหนักในคุณของสงแม้1องค์จริงจริงไงสามารถขยายสงจาก1เป็นเป็นจาก4เป็น8 8เป็น16 16เป็น32 32เป็น64เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นโกดเป็นประกอเป็นต้นได้อันนี้คือตัวแทนสังขะนะที่ปรากฏต่อหน้ายมโจอย่างเงี้ย มันน้อมใจตระหนักเห็นคุณอย่างนั้นจริงหรือไม่อันนี้ก็เริ่มขาดเนี่ยที่นี้จะต่อวิปัสสนาไงที่ถามเนี่ยว่าทำไมมันยังต่อไม่ได้อะนี่ความประทับใจตรงนี้อ่ะมันยังอ่อนแออยู่เมื่อสักครู่ทั้งบอกว่าปีติเกิดนิดเดียวแล้วก็หายไปนะอย่าแปลกใจไงเพราะมันไม่ได้ชัดเจนในการตระหนักถึงคุณซึ่งมีภาษาสดาเป็นประมุกจริงๆและน้อมถวายจริงๆ ทีนี้เมื่อถวายข้าวถวายอาหารให้เป็นทานแล้วเนี่ยเห็นเหตุแล้วเนี่ยเห็นผลไหมเข้าใจไหมว่าถ้าให้อาหารแก่สัตว์เดรัจฉานเนี่ยให้ผลร้อยอัตภาพให้กับคนทุศีนเนี่ยได้พันอัตภาพให้กับคนไม่มีศีลปกติเนี่ยได้แสนอัตภาพให้กับคนมีสมาบัตดภายนอกาศาสนาแสนโกรธอัตภาพเนี่ยให้แก่คนที่ เป็นคนมีศีลที่ตั้งตั้งเริ่มต้นตั้งแต่ประพฤติปฏิบัติตั้งแต่ถึงสารณาคมเพื่อเป็นปัจจัยแก่การพ้นทุกเนี่ยหาประมาณไม่ได้เป็นต้นจนน้อมให้แก่สงเนี่ยถามว่าจะหาประมาณไม่ได้สักกี่เท่ากี่ร้อยเท่ากี่พันกี่แสนกี่หมื่นเท่าเราเราเห็นอย่างนั้นจริงหรือไม่ให้อาหารให้ข้าวอันนังเนี่ยนะ อันนางปานางครังวัดถังเป็นต้นที่ไล่มาเมื่อเช้าเนี่ยให้อาหารพร้อมด้วยกับบริวารที่เป็นกับข้าวทั้งหลายเนี่ยนั่นหละเราให้อะไรให้อายุคือความเป็นผู้มีอายุยืนให้วันนะคือความเป็นผู้มีวันน่างามให้ความสุขเพราะคนไม่มีอาหารกระแสของรูปะ ชีวิตนามาชีวิตทั้งหลายอยู่ได้ด้วยอาหารกระแสะของร่างกายเนี่ยกาวลิงกราหารที่โอชาทั้งหลายที่แผ่ซึมเศร้าก็าไปในสรีละในร่างกายของพระทั้งหลายเหล่านี้ของสงเนื้อทำให้ได้ความมีอายุมีวันณนะมีความสุขมีกําลังแล้วก็ปฏิพานนะคือปัญญานี่คือ5อย่างนื้หนึ่งให้หนึ่งเนี่ยนื้ แต่จากมีผลปรากฏเราจะมีเราจะเป็นผู้มีส่วนแห่งอายุเราจะเป็นผู้มีส่วนแห่งวันนะเราจะเป็นผู้มีความส่วนแห่งความสุขกำลังและปัญญาหาประมาณมิได้ใครควรทั้งเจตนาทานทั้งอโลพาทานทั้งวัตถุทานก็ปลื้มใจปลาโมดก็เกิดปีติก็เกิดสุขโสมนัสก็เกิดใช่ไหม ปัสสถานสงบเกิดแล้วสุขโสมนัสก็เกิดและเกิดยาวไหมถ้าจะเอาฐานแห่งการที่จะเดินต่อจะประดับตกแต่งจิตให้เป็นจิตตารังการละจิตตาปริขาลังเนี่ยก็หมายความว่าจะประดับตกแต่งจิตด้วยสมถะเนี่ยก่อนได้ไหมสมถะแปลว่าความสงบความสงบจากการนึกถึงอารมณ์นั้นน่ะถ้าออกจากที่ณที่ตรงนี้ไปนะ ตอนนี้จิตเบาจิตอ่อนจิตคลวนด้วยอํานาจของกุศลพอสมควรเนี่ยออกนะัดที่ตรงนี้ไปเป็นนั่งณนะอาสนะเดียวย้อน ล, ลึกขึ้นมาตื่นเต้นไหมละ่ะเห็นวัตถุทานของตอนเองเห็นเจตนาทานว่าเราให้ด้วยศรัทธาให้ด้วยความนอบน้อมให้ถูกกาลเวลาให้แบบอนุเคราะห์สละขาดให้ไม่กระทบตนและบุคคลอื่นให้เนืองนิดให้ขณะให้จิตก็เลื่อมใสให้แล้วก็ปลื้มใจเป็นไปกัญญาปัญญานเนี่ยมันต่อเนื่องไหม และยาวไหมยาวจนถึงขนาดคมนิวราธาณกามมาฉันท่าไม่กุ้มรุมความกำหนัดยินดีไม่กุ้มรุมด้วยพยาบาทก็ไม่กุ้มรุมจิตทีนามิท้าความหนักหน่วงของจิตก็ไม่กุ้มรุมอุทธจารความพุ่งสั้นก็ไม่แทรกวิจิกิจาลังเลสงสัยในคุณของพระรัตนีไตรยก็ถูกขจัดเพราะจิตเป็นสมาธิตั้งมัน่นและตั้งมั่นยาวไหม ถ้าตั้งมั่นยาวๆแบบประเภทที่ตั้งได้เริ่มจาก5นาที10นาทีเป็น20นาที30นาทีเป็นชั่วโมงได้นี้ไงคือประดับสมถะได้แล้วอลังกาลาประดับจิตได้แล้วสมถะคือความตั้งมั่นในอารมณ์เดียวและเด่นในอารมณ์เดียวตรงนี้ต่างหากที่จะเป็นฐานในการที่จะไปแยกแย่พิจารณาวิปัสสนาปัญญาอีกทีหนึ่ง ถ้าแยกแยกวิปัสสนาปัญญาก็เอาสภาพของปีติปัสสติความสุขสมณะตั้งนั้นแหละเอามาแยกด้วยความเป็นนามขันประเภทสังขารละขันในนั้นมีเวทนาประกอบอย่างไรมีสัญญาความจําประกอบอย่างไรเป็นต้นแล้วก็เมรวิญญาณขันเป็นนามขันเสียสัยกรรชกายเป็นไปก็เริ่มแยกสภาพความเป็นไปของรูปนามขันห้าเป็นเป็นไปด้วยแล้วก็เห็นความไม่เที่ยงของปีติใช่ไหม การทำที่เป็นเหตุของปีติยังไงไล่ไปตามลําดับจนถึงละคายถ่ายถอนนิสความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของสภาพสรรพสิ่งทั้งหลายในรัชะกายและสิ่งภายในภายนอกด้มันเดินวิปัสสนาต้องไปมุมลักษณะนี้ดิที่ตรงนี้มันยังเดินไม่ได้เพราะสมาธิเรามีแวบเดียวแวบเดียวเพราะจะมองเห็นไงมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ <laughs> นนฉะนั้นท่านนั่งเดินการเดินวิปัสสนากันเนี่ย มันยังเป็นอนาคตไกลเลยใช่ไหมนะไม่ไม่มากเท่าไหร่หรอกทําไมถึงไม่ยอะไม่พยายามบอกเทที่แรกใช่ไหมเพราะเรายังไม่สามารถระลึกเป็นจาคารนุสติที่ดิ่งในอารมณ์ได้เป็นชั่วโมงเลย อ, อันนี้เขาเรียกว่าแค่ช้างสะบัดหวัวนะงูแลบลินก็งั้แต่อันนี้ก็บุญมหาศาลแต่ลองทําให้เกิดต่อเนื่องได้จริงๆ ถามอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมนึกถึงจารคานุสตินึกถึงศีลานุสติอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วสามารถตั้งมั่นเป็นชั่วโมงได้แล้วบริหารเย็นคล่องแคล่วได้อันนั้นต่างหากจะเป็นฐานในการเดินวิปัสสนาญาณต่อไปถ้าทําให้ได้ตรงนั้นก็มานั่งคุยกันอีกดีดีไหมอย่างนี้คารวาะนี่ก็ โอกาสน้อยมากที่จะได้บรรลุธรรมไม่น้อยเดี๋ยวจะเล่าคนที่มีโอกาสให้ฟังไมืนในในขณะที่เป็นเพศคารว่านี่บรรลุธรรมได้เลยครับเพราะว่าใเลยตรงนี้นะกระทบเราคือไงว่าในสาวถีมีประชากรเจ็ดสิบล้านได้เป็นภระระยะห้าสิบล้านเอาสิประเทศไทยนี่มีประชากรเจ็ดสิบล้านไม่รู้เปล่าฮะ ถ้าทำถูกน่าจะมีพรักพ่ายยะ ส, สักหาล้านใช่ไหมนี่ไม่มีหรืออาจจะมีเนี่ยเพราะว่าเราเดินทานกุศลพลาดกันต่างหาเราเดินศีลกุศลกันพลาดต่างห า, ก, าก็ไม่รู้ว่าจะเดินกันอย่างไรด้วยเขาไม่คิดว่าจะลึกอย่างไงเอาทานกุศลมาระลึกอย่างไรให้ทานก็ให้กันแบบสเปซสปะเอื้ก็เต็มบ้านเต็มเมืองใช่ไหมมันจะทำอย่างไรล่ะในเมื่อในเมื่อสิ่งที่รูปแบบ ใช่ไหมกับข้อมูลที่ถูกไม่ถูกนําเสนอใช่ไหมมันก็ต้องนําเสนอแล้วก็จะต้องมีการกระทํากันอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการที่จะพยายามให้ข้อมูลที่ถูกต้องว่าเขาเดินกันอย่างไรทานกุศลเข้ามาคิดประดับตกแต่งจิตยังไงแล้วต้องมารายละเอียดพูดเรื่องทานอย่างเดียวนี่ตอนนี้เอามาพูดเรื่องทานอย่างเดียวมาจะเป็นเกิน20ครั้งแล้วมั้ยใช่ไหม แล้วพูดที่ไรไปสอบถามแต่ละทีก็ยังจนถึงขนาดตอนนี้เริ่มตั้งกติกาไงรู้ไหมว่าต่อไปเนี่ยนะเมื่อกล่าวเรื่องทานแบบครบวงจรเมื่อไหร่แล้วจกให้บุคคลที่เอาไปเดินกันได้เป็นระบบจริงๆเนียพยายามกระตุ้นให้เดินกันได้เป็นระบบแล้วต่อไปจะมีการสอบถามจะให้พระที่ท่านมีความรู้เรื่องทานในกุศลเนี่ย เออไปถ้าใครมั่นใจว่าเข้าใจเรื่องทานกุศลและเดินทานกุศลในชีวิตจริงได้จริงเนี่ยนะให้พระท่านไปสัมภาษณ์สอบถามถ้าใครผ่านก็จะคัดออกไปอีกขั้นหนึ่งเพื่อให้มาฝึกในการนั่งอาสนะเดียวแล้วเจริญจาคารู้สติรู้สีลานุสติแล้วจะได้ฝึกแห่งการเดินสมาธิในการระลึกถึงทานกุศลคือจัดอบรมอีกคอร์สหนึ่งสําหรับบุคคลที่เดินทานกุศลในชีวิตจริงได้แล้วคล่องแคล่วแล้วมันต้องจัดอย่างนั้น แต่สําหรับใครยังไม่ผ่านบทสัมภาษณ์ตรงนี้ก็อเอาไว้ก่อนคัดสําหรับบุคคลที่เดินทานกุศลได้แล้วและเราจะต้องไปฝึกแบบระบบว่าอบรมน้อยแต่มีการเจริญกรรมฐานให้มากฝึกให้การนั่งอาสนะเดียวกันให้เป็นว่าเขาเราลึกถึงทานในเจตนาจะอย่างไรลึกถึงวัตถุทานอย่างไรอโลภาทานอย่างไรอโทสะทาน หรือระลึกเทื่อทําให้ยานปัญญาเกิดขึ้นยังปลาโมดปีติปสัสสติความสุขสมาธิให้ตั้งมั่นอย่างไรแล้วไปนั่งอาสนะเดียวอย่างไรแล้วก็ฝึกต่อเมื่อฝึกจนได้เป็นได้สมาธิพอสมควรแล้วเนี่ยต่อมาก็นั่นแหละเดินสมถานให้คล่องก่อนแล้วต่อไปก็ไปฝึกอีกระดับหนึ่งเมื่อใครสามารถเข้าเจริญกรรมฐานเนี่ยนั่งสมาธิได้นานพอสมควรแล้วใช่ไหมในทางด้านของจาคาเนสติก็ไปต่อวิปัสสนาอีกครอสคลอสหลังนู่นอย่างเงี้ยนะ ถ้าทาอย่างนี้นะอย่างนี้ก็มีโอกาสชาวพุทธก็ต้องต้องสอนจับมือสอนทุกขั้นตอนอย่างนั้นได้เท่าที่สังเกตดูเพราะบอกไปแล้วไม่สามารถทำกันได้จริงๆบอกไปแล้วก็เป็นลมเป็นแรงกันเนะือมันกลายเป็นอากาศไปหมดเลยนะเพราะชาวพุทธไม่ได้ทำกันอย่างต่อเนื่องไม่ได้พัฒนารูปแบบกันตามลำดับผู้พู ด, พ ด, พดก็เหนื่อยเลยเข <c oughs> ้าใจว่าเนี่ย ในใ น, านามชมรมก็ขออาราธนาพระอาจารย์ในเดือนมิถุนายนเป็นในโอกาสนี้เลยนะคะท่านค่ะก็อย่าไป <c oughs> อาราธนานี่ผ่านกล้องดีค่ะค่ะเออก็ขอกราบนักสการ์ทท่านอาจารย์นะคะก็ขอโอกาสท่านอาจารย์ช่วยแสดงทัศนกติเกี่ยวกับการที่องค์กรชาวพุทธของเราในขณะนี้นะคะก็ได้จัด การบุรณาปฏิสังครที่ลุมพินีวันนะคะซึ่งก็เป็นข่าวดีนะคะซึ่งถือเป็นสังเวียนยานสีตำบลของชาวพุทธนะคะก็ก็อยากให้ท่านช่วยแนะนำว่าถ้าเราเนี่ยจะจะทำทานกุศลในลักษณะที่จะร่วมร่วมบุญในการทำกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นเนี่ยช่วยแนะนำการเดินทานกุศลให้เป็นระบบนะคะเพื่อว่า ชาวพุทธของเราเนี่ยจะได้กุศลกันแล้วก็ได้เห็นอนิสง์กันอย่างอย่างชัดเจนนะคะช่วยชั้นพระอาจารย์ช่วยขับเน้นให้ใหด้วยนะคะลองเล่าความเป็นมาของการบุรณะลุมบินีวันที่ลุมบินีให้มาฟังพ อ, อ, อมาฟังมาก็ยังไม<ข>่ค่อยชัดนะเน่ย<ข>ไม่ทราบว่า เ, เป็นฝ่ายภาครัฐภาคเอกชนร่วมตัวกันอย่างไรก็เรื่องค่ะก็มีองค์กร มีมูลนิธินะคะที่เท่าที่ทราบมีมูลนิธิอะค่ะก็เข้าไปาดาเนินการที่จะบูรณะแต่ก็ยังไม่ได้ชัดเจนมากอันเนื่องจากได้ไ ด, ไ ด, ดูในสื่อได้ดูในสื่อของทีวีนะคะแต่ว่าก็ก็เห็นว่าเราเองเนี่ยก็น่าจะน่าจะมีโอกาสได้ได้ไดเข้าไปร่วมกุศลในครั้งนี้แต่ในรายละเอียดเนี่ยก็ยังไม่ทราบในรายละเอียดมากนักนะคะ แต่ว่าถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ในช่วงชีวิตของเราเนี่ยจะได้ทําทานกุศลดังกล่าวข้างต้นนะนะคะถ้าสมมุติว่ามีโอกาสดังกล่าวข้างต้นเนี่ยค่ะท่านก็เราจะดําเนินการในการเดินกุศล<น>กุศลทานอย่างไระ อ, อะค่ะท่านเออในใ น, ในการบูรณะปฏิสังขรณสถานที่ประสูตรของพระผู้มีพระเจ้าที่ลุมพินีวันที่ประเทศอินเดียเออที่ประเทศเนปาล ข่าวการกระ ท, ทํานี้ทังจะทํากันเป็นระยะระยะมาเรื่อยเนี่ยแต่ก็ตั้งแต่ยุคใดสมัยใดมาแล้วและต่อมาก็ทําเสร็จบังไว้เสร็จวมงเงินมานี้ต่อมาก็มาทราบข่าวเป็นระยะระยะนี้ก็ได้ขราบข่าวอีกครั้งหนึ่งว่าชาวพูดไทยนะอาจจะมีภาครัฐเข้าไปเกี่ยวข้องหรือภาคเอกชนใดๆซึ่งเขามาก็ยังไม่ชัดเพราะมาระยะหลังอมาเป็นพระที่ไม่ได้ติดตามข่าวทั้งหน้าสื่อเลย ก็ต้องยอมรับว่ามาเป็นพระที่ไม่ได้ดูสื่อนะไม่ได้ดูสื่อเลยไม่ได้เสพสื่อเลยเป็นพระที่ถ้าถือว่าในยุคนี้คนก็บอกตกข่าวก็คือตกข่าวเพราะมาจะดูแต่ข่าวในทางด้านของวัตรีบิดกอตกถาลและดีกาจะดูในชั้นของคําสอนของพระทเจ้าเป็นหลักจากนั้นก็โดยมากก็ได้ยินจากญาติโยมมากล่าวในลักษณะเรื่องนี้ก็เหมือนกัน <laughs> ก็ทราบข่าวเหมือนกันว่าญาติโยมก็มาพูดให้ฟังว่าจะมีการบูรณะ ลุมบินีวันใหม่ทั้งหมดโดยชาวพุทธไทยแล้วก็บางทีก็ได้ทราบข่าวว่ามีภาครัฐเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะ่น่าจะเป็นไปลักษณะอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็นับว่าเออน่ายินดีน่ายินดีที่ว่าเห็นความสำคัญของการอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระผู้มีภาคเจ้าเนี่ยเป็นศาสดาเอกของโลกใช่การที่พระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาเนี่ย มาในฐานะถูกอัญเชิญมาด้วยใช่ไหมเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้านั้นสร้างบา ร, รมีมาเพื่อต้องการจักเป็นพระพุทธเจ้าบรรดาเทวดาทั้งหลายพรหมทั้งหลายต่างก็รอวันไหนวันที่พระพุทธเจ้าจะประสูตรอย่างยาวไกลฉะนั้นในวันที่พระบรมศาสดาจักสเสด็จมาถือปฏิสนธิในครรนของนางสรีมหาม า, ายาเนี่ยพรหมในหมื่นจักรวาลใช่ไหมหรือว่าเทวดานี่หมื่นจักรวาล น, นั่นเอง มีพรมอยู่ด้วยท้ามหาพรมด้วยท้ามหาพรมในสุดทาวาสก็คือพระละหันขี่นาศบนั่นเนองอารัตนาขอให้พระบรมศ า, ศาสดานั้นมาถือปฏิสนธิในคัน์เป็นต้นก็เกิดแผ่นดินสะเทือนสะทานกันหมื่นจั ก, กรวาลก็หวันไหวเป็นต้นดังกล่าวถ้าเรามองกันแค่นี้เราก็มองเห็นแค่ผลที่เกิดขึ้นแต่เราไม่ทราบเหตุว่าผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยสร้างอะไรมาทําอะไรมา ต้องย้อนไปดูว่าผร้เทียงาของเราเนี่ยบำเพ็ญบารมีมาเพื่อจะขนสัตว์หรือสัตว์เนี่ยบำเพ็ญพระธานบารมีศีลบารมีเนคขมารบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีทั้งอุปบารมี10ปบารมัทธบารมี10รวมบารมี30มสิบทัดมา20อสงไขยยิ่งด้วยแสนมหากรัปพอบารมีครบกําหนดเบ็ดเสร็จก็คอย เวลาอย่งการแก่กล้าของบารมีของการเวลาที่ดุสิตและอยู่ต่อมาครบกําหนดการทั้งหลายก็ถูกอัญเชิญอาราธนาให้มาถือปฏิสนธิในครั้นตอนนั้นพระองค์ก็พิจารณาและพิจารณาดูประเทศพิจารณาดูการนีพิจารณาดูกา ร, า ร, า ด, การดูประเทศดูตระกูลทั้งหลายดูบิดามารดาดูบริษัทบริวารทั้งหลายมีภาษาลิบุตรพระโมคะลานะเป็นต้น สรุปแล้วว่าเหมาะสมแก่การเวลาพราะองค์ก็มาถือปฏิสนที่ในครันของนางสิริมหามายาให้สังเกตดูการลงถือปฏิสันที่ในครันของนางสิริมหามายานั้นมาอย่างผู้ยิ่งใหญ่ไม่คุดคู่เหมือนเด็กทาโกทั้งหลายใช่ไหมนั่งขัดสมาธิอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราเห็นตรงนี้ต้องย้อนต้องย้อนกลับว่าธรรมดาของโพธิสัตว์เป็นอย่างนี้นะคนเรากว่าจะได้ฐานะเห็งความเป็นผู้ธรรมดาได้ต้องทําอะไรมา ต้องบำเพ็ญทานเท่าไหร่ต้องเลยอวัยวะถามว่าทรัพย์ที่มีนั้นเพื่ออุปการะแก่บุคคลอื่นโดยแท้ใช่ไหมทรัพย์สมบัติภายนอกทั้งหมดนั้นมีเพื่ออุปการะแก่บุคคลอื่นอวัยวะที่มีแต่ละพบแต่ละชาติก็เพื่ออุปการะแก่บุคคลอื่นชีวิตก็มีเพื่ออุปการะแก่บุคคลอื่นโดยแท้แม้ฉันใดถ้าเรามองอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าพระบารมีของพระศ า, าสดายิ่งใหญ่ขนาดนะั้นก็ในท่สุจริงๆพระองค์ก็ถือปฏิสนธิ แล้วก็ให้สังเกตว่าถ้าคนมีบุญ เ, เวลามาถือปฏิสนที่ในครันของนางสรีมหามายาเนี่ยนางศรีมหามายานั้นก็กลายเป็นบุคคลที่จิตใจนั้นน่ะไม่กำหนัดในชายอื่นทันทีเลยอันนี้บ่งบอกถึงอุปนิสัยปัจจัยนยคนมีบุญนะอยู่ในที่ไหนในะความร่มเย็นก็อยู่ในที่นั้นเป็นต้นที่สุดจริงๆก็คือครบ10บเดือนก็นั่นแหละเหยียบแผ่นดิน ครั้งแรกในฐานะจะมาเป็นพระเจ้าณนะที่ตรงนั้นในการเหยียบแผ่นดินนะครั้งแรกเหล่านั้นนะ่ยก่อนจะเหยียบแผ่นดินนั้นนะ่ยพรมเท้าสุดทาวาสพรมที่สิ้นอาสวะคือพระหลัหันทั้งหลายก็ถือตะไคร่ตองคํามาลองรับใช่ไหมถ้าเรามองอย่างนี้เราจะเห็นว่าทําไมพระหลหันยอมรับใช้ปุ้ดูชนแล้วต่อมาเทวดาและก็มนุษย์ทั้งหลายก็ใช้ลองรับ แล้วพระองค์ก็เสด็จดำเนิน79แล้วก็มองไปในทิศทั้งหลายทั้งพรหมเอวยเทวดาเอวยมนุษย์ทั้งหลายเยอะแยะในหมื่นจักรวาลพระองค์มองก็ไม่มีใครเสมอท่านเลยท่านถึงใช้คําว่าอะโคามาสมาโลกัสะเชทโอะมาสมาโลกัสะเศทโอะมาสมาโลกัสะอายมันติมาชาตินัตถิธานิบุณะโบเราเป็นผู้เลิศเราเป็นผู้เจริญเราเป็นผู้รประเสริฐที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย การที่พระ อ, องค์เปล่งอาสพิวาจาเหล่านั้นนะ่ะพระสุรเสียงของพระบรมของพระมหาสัตว์นะ่ะของพระโพธิสัตว์นะนะั้นน่ะดังไปหมื่นจักรวาลเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะกว่าจะได้ฐานะนี้ขนาดพระอรหันต์เต็มไม่หมดพระ อ, องค์ยังมองว่าไม่มีใครเสมอท่านนะในทางด้านทานก็ไม่เสมอศีลก็ไม่เสมอใช่ไหมเนคข ม, ม่าปัญญาวิริยะ คันติสัจจาทิฐานเมตตาแล้วก็เบกขาหาบุคคลใดในโลกในเทวโลกในพรหมโลกในหมื่นจักรวาลในแสนโกดจักรวาลในจักรวาลหาที่สุดไม่ได้เนี่ยไม่มีใครเสมอท่านท่านถึงเป่งวาจาอย่างนั้นถ้าเรามองอย่างนี้นี่คือสถานะผู้เป็นศาสดาเอกของโลกเหยียบพื้นแผ่นดินในฐานะจักมาเป็นพระพุทธเจ้าจึงเป็นสถานที่ที่ยิ่งใหญ่มาก นะฉะนั้นถ้าเราจะประกอบการกุศลในการถวายนอบน้อมเป็นพุทธบูชาสถานที่หนะ้าที่ตรงนี้คือเป็นศาสดาของเรานะเป็นพระศาสดานะพระบรมศาสดาถือการเหยียบพื้นโลกในฐานะจักมาเป็นพทะเจ้าณนะที่ตรงนั้นที่ตรงนั้นจึงเป็นศาสดาของของเธอทั้งหลายใช่ไหม สถานที่ประสูนยสถานที่ตัดสรู้สถานที่แสดงธรรมจักให้เป็นไปสถานที่เสด็จดับขันธทพรินิพานจากเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายหลังการล่วงไปแห่งเราอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในฐานะแห่งว่าธรรมถ้าเรารู้ว่าเราจะไปทําสการะบูชาพระศาสดาณนะสถานที่อันเป็นมงคลอย่างนี้การเดินทานากุศล ที่เป็นไปเพื่อการนอบน้อมใช่ั้ยแต่การเดินทานกุศลที่เป็นไปเพื่อความนอบน้อมเนี่ยจึงเป็นความยิ่งใหญ่ในจิตใจของท่านผู้นั้นนะแต่เราจะเดินเป็นไหมเนี่ยไม่ใช่แค่วัตถุทานแล้วเราจะเดินศรัทธาทานยังไงให้เป็นไปในความมั่นคงจะเดินสักกัจจทานด้วยความนอบน้อมยังไง จะเดินการละทานให้เหมาะสมแก่การแก่เวลาจะเดินอนุคหิตาทานให้โดยอนุเคราะห์โดยสละขาดอนุปหจธทานโดยไม่กระทบตนและบุคคลอื่นให้ทานเนืองนิดให้โดยจิตเลื่อมใสให้แล้วก็เพื่มใจเป็นไปกับยานปัญญาอย่างแท้จริงอย่างไรนี่ต้องไปใครควรนนะืแต่เป็นสถานที่ต้องบูชาไหมควรบูชาไหมใช่ควรบูชาด้วยสักการะทั้งหลายนะถ้ามองอย่างนี้ ถ้าถามว่าเราจะเดินทานกุศลอย่างไรก็เดินไปในลักษณะอย่างนี้เห็นคุณว่าที่ตรงนั้นเป็นศาสดาถ้ามองอย่างนี้ก็จะชัดเจนพอจะมองเห็นไหม